เพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุที่ปฏิบัติแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อการได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมเป็นผู้ได้อายุไม่ว่าจะเป็นของทิพย์หรือของมนุษย์ผู้ปรารถนาวันณนะสุกยศสวรรค์ก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อวันณนะสุกยศสวรรค์ภิกษุทั้งหลาย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 ผู้นั้นเป็นคนรับใช้มิใช่พรามผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นโจรม่ใช่พรามผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นราชาม่ใช่พรามเราไม่ได้เรียกคนเป็นพรามตามที่เกิดมาจากท้องมารดาผู้นั้นยังมีกิเลสเป็นแค่ศักว่าโโพวาที เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสไม่มีความถือมั่นตั้งหากว่าเป็นพรามหมายเหตุตามพระพุทธพจน์ว่าผู้นั้นยังมีกิเลสเป็นแค่ศักว่าโพวาทีนั้นเป็นธรรมเนียมพรามเรียกทักทายคนอื่นว่าโพสรลาโอพอสมเพาโพขอนำกลับเข้าสู่พุทธพจน์เกี่ยวกับการไม่ถือชาติชั้นวันลนะ